ปีพุทธศักราช2493พัรษาที่6ท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านน้องผักตบตำบลปลาไหลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเมื่อถวายเพลิงศพท่านพระจารย์มั่นผ่านไปแล้วพระกรรมฐานที่มีหลักใจมั่นคงก็ปรงอนิจจงตามหลักสามัญญาตาส่วนพระกรรมฐานที่ขาดหลักใจเป็นเรื่องยาก ที่จะโปรงใจเช่นนั้นได้จึงอยู่ในภาวะระสัมระสายกระวนกระวายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่างก็สมสารแตเจ็บกระกายระหงกระเหินระเหะเร่ร่อนไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นและจบลงในทิศทางใดเหมือนปุยนุ่นอยู่บนอากาศไม่ทราบว่าจะปลิวว่อนไปตามแรงลมในทิศทางใดเหมือนเด็กน้อยไร้ญาติที่พ่อแม่เพิ่งตายจากไปได้ไม่นานนัก จะเอาความรู้ความสามารถที่ไหนมาปกครองตนเองได้เหมือนฟ้าดินถล่มต่อหน้าต่อตาจะรักษาชีวิตจิตใจไว้ได้อย่างไรเหมือนดังว่าใจจะละลายจะประสานอย่างไรให้กลับมาเป็นดังเดิมการนิพพานของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตในคราวนั้นเป็นมหาวิปยคสาหรับสิญญานุสิ์ของท่านอย่างแท้จริงสรุปความว่า พระเนนต่างองค์ก็ต่างไปตามครูบาอาจารย์ที่ตนศรัทธาโดยส่วนมากก็ยังไปไม่ไกลาจากเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงส่วนเราเดินทุ่ดงรอนแรงอยู่ตามเทือกเขาภูพานหาที่สงบสงัดรักษาโรคใจอยู่เพียงลำพังเทือกเขาภูพานนี้เป็นที่น่ารื่นรมสำหรับพระกรรมฐานเป็นดินแดนสร้างตานานพระอริยเจ้าอย่างแท้จริงสาหรับเราแล้ว เหมาะสำหรับใจที่กําลังว้าเหวเลื่อนลอยท้อเศร้าเหงาหงอยเมื่อคิดถึงหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นทีไรก็ได้แต่รําพึงรําพันบนเพอ้อภายในใจว่าท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านนิพพานแล้วกิเลส ข, ของเราก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจปัญหาธรรมที่มีใครหนอจะช่วยแจกไขใครหนอจะช่วยตอบช่วยสอนใครหนอจะช่วยดูช่วยด่าว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนช่วยปราบช่วยปราม บุคคลที่น่าเกรงขามและทรงคุณธรรมอย่างท่านที่ปราบปรามใจดวงเครือขนองของเราให้หายจากการพยศลงได้ก็คงหาดายากยิ่งนักแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคำสั่งคำสอนของท่านก่อนนิพพานนั้นก็คือให้รักษาเอาแต่ใจอย่านีจจากรากฐานคือผู้รู้ภายในจิตใจทาใจตนให้พ้นจากความวุ่นวายปิดตาปิดหูไม่ใส่ใจใคร ไม่ฟังใครใครจะว่าอะไรก็ว่าไปปล่อยวางจากเรื่องนอกทั้งหมดเราก็จับเอาแต่ใจความอันนั้นมาประพฤติปฏิบัติเสมอมาผ่านจากเทือกเขาภูพานออกเที่ยวปลีกวิเวกภาวนาไปทางอำเภอกุฎบากมุ่งหน้าไปทางอำเภอวาริชภูมิตามรายทางที่ท่องเที่ยวตามป่าเขาติดกรรมฐานสายท่านพระจารย์มั่นก็มีให้เห็นโดยสม่ำเสมอ เมื่อสนทนาธรรมก็จะพูดถึงเรื่องคุณธรรมของท่านพระจารย์มั่นบางรูปที่มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติแต่ยังไม่ได้เข้าไปสํานักของท่านก็กล่าวตัดพ้อด้วยความอะไรเสียดายที่ไม่มีบุญวาสนาได้เข้าไปศึกษาในสํานักของท่านพระจารย์มั่นฤดูการเข้าพรรษาใกล้เข้ามาแล้วเราจึงท่องเที่ยวไปทางอําเภอบาริชภูมิบ้านหน้องผักกบทราบข่าวว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นป่าเป็นดอนมีต้นมะตมต้นไผ่มีครูบาอาจารย์ศิทธิสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นมาเที่ยวจำพรรษาและผ่านมาพักภาวนาเสมอเช่นหลวงปู่บุญมาธิตัาเปโมหลวงตามหาบุญยานสัมปันโนพระอาจารย์วันอุตโมพระอาจารย์แตงอ่อนกรยานธรรมโมพระอาจารย์คําสุมังคโลส่วนเราเดินท่องตามป่าตามเขามามากร่างกายก็อ่อนล้าเต็มทีจึงเข้าจำพรรษา ที่วัดบ้านน้องผักตบญาติโยมชาวบ้านมาทำกระตบมุงหญ้าหลังเล็กๆพอได้พักอยู่พักอาศัยจำพรรษาในปีนั้นมีพระห้ารูปในพรรษานั้นเราปว่วยโดยโรคเน็บชาอย่างรุนแรงได้โยมโสมนาคอินเป็นผู้ปฏิบัติอุปถาคทุกสิ่งทุกอย่างในพรรษานั้นเราป่วยหนักเท้าชาทั้งสองด้านแทบจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด ใช้มือหยิกบริเวณเนื้อขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยมันด้านชาไปหมดหาหยุกหายาอะไรก็ไม่มีจึงคิดได้ว่าเอายาที่ไหนมารักษามันก็คงจะไม่หายเอายาที่เราหาอยู่ทุกวันนั้นก็คือยาธรรมโอสถจากนั้นจึงตกลงโปรงใจตั้งสัจจะอธิษฐานนั่งสมาธิขอโอกาสหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันว่าผมจะนั่งสมาธิรักษาโรค จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามถ้าโรคไม่หายผมจะไม่ออกจากสมาธิถึงแม้จะตายก็ตามก็ขอตายในท่านั่งสมาธิน้ําไม่ดื่มข้าวไม่ฉันตั้งใจนั่งสมาธิพิจารณาสังขารเพียงอย่างเดียวทําสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่ปฏิบัตินั้นกําหนดจิต จ, จดจอ่อเร่งสติเข้าเต็มที่เร่งสมาธิเข้าเต็มที่พิจารณาว่า โรคมันอยู่ตรงไหนมุมใดของร่างกายพิจารณาจนละเอียดท่วนทีเมื่อพิจารณาธาตุขันส่วนต่างๆจนละเอียดที่ท้วนด้วยสติปัญญาที่คล่องตัวเลือดลมที่เหือดแห้งไปก็กลับไหลวนเวียนผ่านส่วนต่างๆของร่างกายโดยสะดวกทั่วถึงเราปฏิบัติแบบสละชีวิตปเป็นเวลาไม่นานนักเพียงสามวันสามคืนเท่านั้นในการปฏิบัติคืนแรกเรายกขาขึ้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ส่วนคืนที่สองและคืนที่สามไม่ได้ย้าขานั่งทีเดียวตลอดเลยการตั้งสัจจะของเราไม่ได้ตั้งเพียงสามคืนแต่ตั้งไว้ว่าถ้าไม่หายยังไม่ยอมลุกจากที่แต่พอถึงวันที่สามของการปฏิบัติโรคร้ายได้หายขาดจึงออกจากสมาธิโรคเหน็บชาที่ว่าร้ายร้ายก็หายเป็นปลิดทิ้งจนถึงทุกวันนี้เราปฏิบัติแบบตลาตายไม่อะไรในชีวิตนั่นหละมันถึงได้ของเหล่านี้ มันต้องมีเหตุจึงมีเรื่องเกิดขึ้นพระเนนทุกวันนี้วิ่งเหนือวิ่งใต้หาแต่หยุกแต่ยาถ้าหากว่าเราชำนิชำนาญในทางสมาธิสมาธิก็สามารถรักษาโรคได้ส่วนท่านผู้ใดถึงระยะที่จะต้องตายแล้วเอายาอะไรมาแจ้มันก็ไม่ได้ส่วนท่านผู้ใดที่ยังไม่ถึงระยะก็สามารถใช้สมาธิแจ้โรคได้ส่วนผู้ไม่มีสมาธิ แม้ไม่ถึงระยะที่จะต้องตายแต่ถ้าหากมีโรคร้ายเกิดขึ้นก็มีอันต้องตายไปก่อนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับบุพกรรมที่เคยทำมา